275. ปาริเลยะกะคามะกระถาว่าด้วยการเสด็จไปป่าปาริไลยะกะเรื่องพยาช้างปาริเลยะกะ 467. ดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงชี้แจงให้ท่านพระอนุรุธทธะท่านพระนันทียะและท่านพระกิมพิละเห็นชัด ชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเราใจให้อาหารแ ก, กล้าปลอบฉโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วสเสด็จลุกขึ้นจากอาสน ะ, สะเสด็จจาริกไปทางป่าปาริไลยก ะ, สะเสด็จจาริกไปตามลำดับจนถึงป่าปาริไลยกะแล้วทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ควงไม้รังในราวป่ารักขิตตะวัน เขตป่าปาริไยากะนั้นครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดทรงเกิดความคิดคำหนึ่งในพระทัยอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราคลุกคลีกับพวกพิกษุชาวกรุงโกสัมพีที่ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาสก่อเรื่องอื้อเฉา ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์อยู่ไม่ผาสุกเลยเวลานี้ระว่างเว้นจากพวกพิกษุชาวกรุงโกสัมพีเหล่านั้นที่ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อเรื่องอื้อเฉาก่ออธิกรณ์ในสงฆ์อยู่ผู้เดียวไม่มีเพื่อนอยู่ผาสุกดี แม้พญาช้างตัวหนึ่งอยู่คลุกคลีกับพวกช้างพลายช้างพังลูกช้างใหญ่และลูกช้างเล็กกินหญ้ายอดด้วนส่วนกิ่งไม้ที่พญาช้างนั้นหักลงมาก่องไว้ช้างเหล่านั้นก็กินหมดได้ดื่มแต่น้ำขุ่นๆเมื่อพญาช้างนั้นเดินลงหรือขึ้นจากท่าน้ำช้างพังก็เดินเสียดสีกายไป ต่อมาพยาช้างนั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าเราอยู่ปะปนกับพวกช้างพลายช้างพังลูกช้างใหญ่และลูกช้างเล็กกินหญ้ายอดด้วนส่วนกิ่งไม้ที่เราหักลงมากองไว้ช้างเหล่านั้นก็กินหมดได้ดื่มแต่น้ำขุ่นๆเมื่อเราเดินลงหรือขึ้นจากท่าน้ำช้างพัง ก็เดินเสียดสีกายไปอยากกระนั้นเลยเราพึงหลีกออกจากโขลงอยู่แต่ผู้เดียวแล้วได้หลีกออกจากโขลงเดินไปทางเขตป่าปาริไยกะราวป่ารักขิตัดควงไม้รังเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคแล้วใช้งวงตักน้ําดื่มน้ําใช้เข้าไปตั้งไว้เพื่อพระผู้มีพระภาค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 เมื่อเราเดินลงหรือขึ้นจากท่าน้ำช้างพังก็เดินเสียดสีกายไปเวลานี้เราว่างเว้นจากช้างพลายช้างพังลูกช้างใหญ่และลูกช้างเล็กอยู่แต่ผู้เดียวไม่มีเพื่อนอยู่ผาสุขดีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความสงัดของพระองค์ และส่งทราบความคิดคำนึงในใจของพญาช้างนั้นด้วยพระไทยจึงทรงเปล่งอุทานในขณะนั้นว่าจิตของพญาช้างผู้มีงางามดุดงอนรถนั้นเสมอกับจิตของพระพุทธเจ้าเพราะอยู่ผู้เดียวยินดีในป่าเหมือนกันครั้นพระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ที่ป่าปาริเลยะกะตามพระราชอัธยาศัยแล้วสเสด็จจาริกไปทางกรุงสาวัตถีสเสด็จจาริกไปตามลำดับลุถึงกรุงสาวัตถีแล้วทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินิกะขะหะบดีเขตกรุงสาวัตถีนั้นครั้งนั้น พวกอุบาสกอุบาสิกาชาวกรุงโกสัมพีปรึกษากันว่าพวกพิกษุชาวกรุงโกสัมพีเหล่านี้ทำความพินาศใหญ่โตให้พวกเราพระผู้มีพระภาคถูกพิกษุพวกนี้รบกวนจึงเสด็จหลีกไปเอาละพวกเราจะไม่อภิวาทไม่ลุกรับไม่ทำอัญชลีกรรมสามีจิกกรรมไม่สักการะไม่เคารพ ไม่นับถือไม่คบหาไม่บูชาภิกษุชาวเมืองโกสัมพีพวกนี้แม้พวกเธอเข้ามาบินธบาีก็จะไม่ถวายก้อนข้าวท่านพวกนี้เมื่อถูกพวกเราไม่สักการะไม่เคารพไม่นับถือไม่คบหาไม่บูชาเป็นผู้ไม่มีสักการะอย่างนี้ก็จะพากันหลีกไปศึกไปหรือจะให้ผู้มีพระภาคทรงโปรด ครั้งนั้นอุบาสกและอุบาสิ ก, กาชาวกรุงโกสัมพีไม่อภิวาทไม่ลุกครับไม่ทาอัญชลีกรรมสามีจิกรรมไม่ศักการะไม่เคารพไม่นับถือไม่คบหาไม่บูชาพวกภิสุชาวกรุงโกสัมพีแม้พวกภิกษุชาวกรุงโกสัมพีเข้ามาบินธบาตก็ไม่ถวายก้อนข้าวครั้งนั้น พวกภิกษุชาวกรุงโกสัมพีถูกอุบาสกอุบาสิกาชาวกรุงโกสัมพีไม่สักการะไม่เคารพไม่นับถือไม่คบหาไม่บูชาเป็นผู้ไม่มีสักการะพูดกันอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายเอาเถิดพวกเราพึงเดินทางไปกรุงสาวัตถีแล้วระงับอธิกรณี้ ในสำนักของพระผู้มีพระภาค